การปฏิบัติคือการฝืนใจตัวเองเรื่องอัตมานีอัตมาพยายามคิดค้นและเกินเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามักผลนิพพานมีอยู่มันมีอยู่ดังพระองค์ตรัสสอนแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากการปฏิบัติ ด, ดีเกิดจากการทรมานกล้าหารกล้าฝึกกล้าหัดกล้าคิด กล้าแปลงกล้าทำการทำนั้นทำอย่างไรท่านให้ฝืนใจตัวเองใจเราคิดไปทางนี้ท่านให้ไปทางโน้นใจรอคิดไปทางโน้นท่านให้มาทางนี้ทำไมท่านจึงฝืนใจเพราะใจถูกกิเลสเข้าพอกมาเต็มที่แล้วมันยังไม่ได้ฝึกหัดดัดแปลงพระองค์จึงไม่ให้เชื่อ มันยังไม่เป็นศีลยังไม่เป็นธรรมเพราะใจมันยังไม่แจ้งไม่ขาวจะไปเชื่อมันได้อย่างไรได้ท่านจึงไม่ให้เชื่อเพราะใจเป็นกิเลสที่แรกมันเป็นลูกน้องกิเลสอยู่นานนๆนไปเลยกลายเป็นกิเลสท่านเลยบอกว่าอย่าเชื่อใจดูเถิดข้อปฏิบัติมีแต่เรื่องฝืนใจทั้งนั้นฝืนใจก็เดือดร้อนพอเดือดร้อนก็บ่นว่า แม่ลำบากเหลือเกินทำไม่ได้แต่พระองค์ไม่นึกอย่างนั้นทรงนึกว่าถ้าเดือดร้อนนั้นถูกแล้วแต่เราเข้าใจว่าไม่ถูกเป็นเสี้อย่างนี้มันจึงลำบากเมื่อเริ่มทำเดือดร้อนเราก็นึกว่าไม่ถูกทางคนเราอยากมีความสุขมันจะถูกหรือไม่ถูกไม่รู้เมื่อขัดกับกิเลส ต, ตัณหาก็เลยเป็นทุกข์เดือดร้อน ก็หยุดทำเพราะเข้าใจว่าไม่ถูกทางแต่พระองค์ตรัสว่าถูกแล้วถูกกิเลสแล้วกิเลสมันเร่าร้อนแต่เรานึกว่าเราเร่าร้อนพระพุทธเจ้าว่ากิเลสเร้าร้อนเราทั้งหลายเป็นอย่างนี้มันจึงยากเราไม่พิจารณาโดยมากมักเป็นไปตามการมาสุขขันลิ า, ละะานุโยคอตตากิรมาธานุโยค มันติดอยู่นี่อยากทําตามใจของเราอันไหนชอบก็ทําอยากทําตามใจให้นั่งสบายนอนสบายจะทําอะไรก็อยากสบายนี่กามาสุ ข, ขันลิกานุโยกติดสุขมันจะไปได้อย่างไรถ้าหากเอากามความสบายไม่ได้แล้วความสุขไม่ได้แล้วก็ไม่พอใจโกรธขึ้นมาก็เป็นทุกข์เป็นโทสะธรรม นี่เป็นอัตตกิฬมถานุโยกซึ่งไม่ใช่หนทางของผู้สงบไม่ใช่หนทางของผู้ระงับการมาสุ ข, ขันลิการโยคอัตตกิฬมัานุโยกทางสองเส้นนี้พระพุทธเจ้าไม่ให้เดินความสุขพระองค์ให้รับทราบไว้ความโกรธความเกลียดความไม่พอใจก็ไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าเดินไม่ใช่ทางของสมณนะ เป็นทางที่ชาวบ้านเดินอยู่พระผู้สงบแล้วไม่เดินอย่างนั้นเดินไปตรงกลางสัมมาปฏิปทากามสุขัลิกานุโยคอยู่ทางซ้ายอตตากิลามถานุโยคอยู่ทางขวา